นับูตัสสะพะควโตอรหโตสัมมาสัมุทัสสะนับูตัสสะพควโตอรหโตสัมมาสัมุทัสสะนับตัสสะพควโตอรหโตสัมมาสัมบุตทัสสะ นัตติเบสระนังอันยังพุทโเบสระนังวรังนัตติเบสระนังอันยังธรรมโเบสระนังวรังนัตติเบสระนังอันยังสังโคเบสระนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะสธิเตโหตุสัปปทาตีเอาละนั่งตามสบาย ณลำดับนี้ก็จะได้บรรยายธรรมะอันเป็นเบื้องต้นในกิจกรรมในการความทมและปฏิบัติธรรมในวันนี้คำว่าธรรมะคาว่าธรรมะธรรมะเราได้ยินกันประจําแล้วถามว่าธรรมะคืออะไร ก็ตอบกันได้เยอะมากหลากหลายสุดที่จะให้ความหมายกันแต่ว่าถ้าเอาในแห่ของของความหมายที่ถูกต้องก็ ว, ว่าธรรมะก็คือธรรมชาติที่มีดีมีไม่ดีแล้วก็มีกลางการธรรมชาติดีก็เรียกว่ากุทลธรรม ธรมชาติที่ไม่ดีก็เรียกว่าอากุศลที่กลางๆนี่ก็เรียกว่าอพยปริตคือจัดว่าดีก็ไม่ใช่จัดว่าไม่ดีก็ไม่ใช่นี่ก็เป็นธรรมะมีสามสภามีสามสภาวะห้เราฟังธรมรมะอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคำตังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เรียกว่าพระธรรม ถ้ามองในความในความหมายของธรรมะว่าเป็นคำาังสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ชื่อว่าพระธรรมในแบ่งเป็นสมแบบแบบหนึ่งก็เรียกว่าพระธรรมในฐานะของการเล่าเรียนศึกษาอีกความหมายหนึ่งคือว่าพระธรรมในฐานะของการปฏิบัติอีกความหมายหนึ่งก็คือพระธรรมในฐานะที่เป็นผล ที่เรารู้จักกันว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวตนั่นแหละเป็นคำะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีสามสภาพสภาพหนึ่งเรียกว่าปริยัติสภาพที่สองเรียกว่าปฏิบัติสภาพที่สามเรียกว่าปฏิเวทแต่เอาแต่ปริยัติอย่างเดียวไม่ถือว่าเป็นพระธรรมนะมันต้องครบทั้งสามประการคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอะไจึงจะเรียกว่าพระธรรมในทีน่นี้ในเรา เอาแต่เรียนเรียนเรียนเรียนแล้วไม่ปฏิบัติแต่บอกว่าฉันมีธรรมะอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ถือว่ายังไม่เป็นพระธรรมพระธรรมต้องเป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือเล่าเรียนศึกษาและปฏิบัติตามจนได้บังเกิดผลครบเป็นสามประการนี่เรียกว่าพระธรรมเล่าเรียนศึกษาให้ถือเกิดความรู้ความถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัตินี่จนบางบางันบังเกิดผลขึ้นมา เรียกว่ามือนเราป่วยอยู่เนี่ยเราก็ศึกษาเรื่องยาพอรู้จักชื่อยาแล้วก็เอายามากินกินจนกระทั่งมันหายอะอย่างนี้เรียกว่ารู้เรื่องยาก็เหมือนกันรู้เรื่องพระธรรมก็ต้องศึกษาเรียนรู้ให้ถูกต้องแล้วปฏิบัติปฏิบัติจนมันได้บังเกิดผลนี่เรียกว่ารู้พระธรรมเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่ในสถานะหนึ่งทีนี้ในการหมายรู้ต่อพระธรรม หมายรู้ต่อพระธรรมก็คือว่าเรียกว่าธรรมสัญญาการหมายรู้ต่อพระธรรมเนี่ยอันมันอาจจะเกิดจากการที่เราศึกษาเ่าเรียนบ้าง เ, ออเกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมบ้างมันเป็นการเรียนรู้จนจนเราเกิดการรู้สึกว่าจาได้จาได้ว่าธรรมะชื่อนี่นี่สตินี่สัมปชัญญะนี่ฮิรินี่โอตปะ ชั้นนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเป็นชั้นของสัญญาสัญญาโดยโดยการหมายรู้ภายนอกรู้จักศัพท์รู้จักความหมายรู้จักชื่อแล้วบางคนก็มีความรู้เพียงเท่านี้แหละมีความรู้เพียงแค่รู้จักศัพท์รู้จักชื่อแล้วก็นำมาพูดนำมากล่าวนำมาอวดนำมาอ้าง ถามาถูกไหมมันก็ไม่ผิดนะมันก็ถูกเหมือนกันเหมือนคนตาบอดถือตะเกียงรู้จักคนตาบอดตาบอดคือตามองไม่เห็นแต่ว่าถือตะเกียงมันก็สามารถที่จะใช้แสงสว่างของตะเกียงนั้นนําพาคนตาดีให้เดินไปได้แต่ตัวเองอตาบอดมองไม่เห็นแสงสว่าง น, นี่ว่าธรรมสัญญาหมายรู้จําได้ ข้อสับข้อความหมายของมันแต่ว่าไม่สามารถเกิดขึ้นเป็นผลข้างในที่ว่ารู้เพียงแค่สับรู้เพียงแค่ความหมายไอ้นี่เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะมีเยอะแต่ก็สําคัญปิดคิดว่าตนนั้นมีธรรมะชั้นนั้นชั้นนี้เห็นนั้นเห็นนี้ว่ากันไปเรื่อยนะท่านี้มันเป็นธรรมสัญญาแต่ว่าธรรมสัญญานี่ถามว่าดีหรือไม่ดีเหมือนตาบอดหรือตะเกียงนะ รรมสัญญานี่ดีหรือไม่ดีมันดีดีในส่วนใดดีในส่วนที่ใช้ปัญหาแก้ปัญหาทางโลกที่ไม่ซับซ้อนไม่ต้องใช้กําลังของสติไม่ต้องใช้กําลังของสมาธิไม่ต้องใช้กํากลังของปัญญามากสามารถที่จะแก้ปัญหาในทางโลกได้บางส่วนเพราะว่ามันมีหัวข้อของธรร ม, มะมันมีอยู่ในสัญญา ถ้าหากว่าเป็นสิ่งซึ่งมีกําลังไม่มากไม่รุนแรงมากไม่หนักมากเรียกว่าไม่เรื่องเยอะมากมันก็ใช้ธรรมะที่ตนเองจําได้อยู่นั่นแหละก็ไปแก้ไขได้อยู่ได้ตามกําลังของสติปัญญาที่ตนเองมีเราก็จะสังเกตได้เห็นว่าวางคนก็ไม่ได้เข้าวัดเข้าวานะไม่ค่อยได้มีความรู้อะไรมากแต่การใช้ชีวิตในทางโลกของเขาเนี่ย เป็นคนที่อยู่ไอผิดกฎหมายนี้ไม่ทำแล้วก็ไม่ไม่ขี้ชจอไม่ขี้โกงเป็นคนที่ชื่อสั์จุจริตรแล้วเป็นคนที่มีหลักการในการใช้ชีวิตมีปัญหาอะไรก็จะแก้ไขแบบตรงไปตรงมาคือเขาจะมีลักษณะของสภาพที่เป็นธรรมะมาใช้กับชีวิตประจาวันของตนเองได้อย่างดี แต่คนที่เป็นลักษณะอย่างนี้เห็นเขามุ่งมั่นซื่อตรงอย่างนี้ในที่สุดเขาก็ต้องเข้าคุกเข้าตารางเพราะว่าวันหนึ่งก็ตัดสินใจฆ่าคนวันหนึ่งก็ตัดสินใจที่คดโกงทุจริตวันหนึ่งก็ตัดสินใจทําผิดอันนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าไอ้ความหมายรู้ของธรรมะ ที่เป็นหลักการในการใช้ชีวิตของเขาในเรื่องปกติทั่วไปนั้นมันเป็นไปตามกาลังของสัญญาที่ที่ตนเองสามารถรับได้แต่เมื่อมีเรื่องที่หนักไปกว่านั้นหนักกว่านั้นเข้ามากระทบกระแทกกระทนชีวิตใจก็ไม่พอที่จะไปต้านทานได้ เช่นว่าบ้านจะถูกยึดรถจะถูกยึดภรรยากำลังจะหนีอย่างเงี้ยหรือว่าคู่สามีภรรยาคนใดคนหนึ่งกบชู้สู่ใจนอกใจอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากที่กระทบกระแทกติดใจอย่างแรงความหมายรู้ของธรรมะชั้นภายนอกคือชั้นของสัญญาไม่สามารถที่จะเข้ามา แก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้มันมีกําลังกับปัญหามันใหญ่กว่าสติสมาธิติโีมีอยู่มากเกินไปในที่สุดก็ทำผิดไปได้โดยสมัครใจทำผิดโดยสมัครใจได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นธรรมะสัญญาคือการหมายรู้ในข้อของธรรมะการเรียนรู้ในเรื่องของธรรมะเนี่ยมันมันได้ก็จริงอยู่แต่เราจะต้องทาให้มันเกิด อีกคำหนึ่งเรียกว่าธรรมฉันทะคือใจจะต้องน้อมเข้าไปสู่ธรรมนั้นไอ้ใจเราก็จะจะน้อมเข้าไปสู่ในในธรรมะได้เนี่ยมันจะต้องมีความเข้าใจการเรียนรู้การฝึกฝนการอบรมมากพอสมควรคือมากจนถึงขนาดที่เรียกว่าใจมันน้อมเข้าไปสู่ธรรมนั้นโดยโดยโด ย, โดยธรรมชาติอันี้เป็นธรรมฉันทะแล้วพอเป็นธรรมฉันทะเนี่ย ปัญหาจะใหญ่จะหนักแค่ไหนเนี่ยยากที่จะทําร้ายจิตใจได้ยากที่จะทำรา้ย า, ำรายชีวิตได้คือปัญหามันจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยมันยากที่จะให้เขาไปทําผิดทุดจริโตโกงนะยากที่จะทําให้เขาเดินออกจากธรรมะเพราะว่ามันเป็นธรรมชนทะแล้วเนี่ยใจมันน้อมเข้าไปแล้วมันน้อมกันไปแล้วเหมือนคนที่มันรักความสะอาดมันน้อมกันไปสู่ความสะอาดแบบชนิดที่ยิ่งยวดแล้วเนี่ย มันยากเหลือเกินที่จะให้เขาไปเหยียบย่ำอยู่บนขี้โคนรนส ก, กปรกนะนนเปรียบเทียบอย่างนั้นคนที่ชอบความสะอาดใจมันน้อมกับไปสู่ความสะอาดมีการกำจัดรักษาความสะอาดอยู่เนืองนิดมันยากมากกับการที่จะให้เขาเอาขี้โครนโอนส ก, กปร ก, กโสโครกมาทามาไายในผิวกายตนเองนี่มันยากเหลือเกินมันเป็นอย่างไรก็อย่างนั้น คนที่มีธรรมฉันทะใจน้อมก็ไปสู่ธรรมะแล้วเนี่ยมันมันทราบซึ่งมันจนเป็นอัตโนมัติยากที่จะเหตุการณ์หรื อ, อปัจจัยใดๆจะไปปรุงแต่งให้เขาไปเดินทางไปในธรรมในสิ่งที่มันผิดหรือทุจริตต่างๆได้อันนี้มันยากอันนี้ข้อแตกต่างกันระหว่างธรรมชันทะกับธรรมสัญญา ให้ธรรมสัญญาการหมายรู้ข้อธรรมะเหมือนอย่างที่พวกเรานั่งฟังธรรมะอยู่ตอนนี้ก็เป็นธรรมสัญญาอย่างหนึ่งในชั้นของธรรมสัญญาเนี่ยมันเป็นสัญญาในชั้นของทิฏฐิกับสัญญาในชั้นของทัศนะสัญญาสัญญาในชั้นของทิฏฐิก็คือว่าพอได้ฟังเกิดความเข้าใจก็บอกกับตัวเองได้ว่าอ๋อเข้าใจแล้วก็ได้เห็น เกิดความเข้าใจก็บอกกับตนเวียงว่าอ๋อเข้าใจแล้วไอ้นี่ชั้นทิฐิชั้นของทิฐิเป็นชั้นของเรียนรู้ทั่วๆไปเด็กสิบขวบห้ขวบมันก็สามารถทําได้50าสบหกสบก็ทําได้ทีนี้ชั้นของทัศนะธรรมสัญญาในชั้นของทัศนะคือว่ามันมันมันมันเรียนรู้เข้าใจจนกระทั่งมันเกิดความเห็นนะ ความเห็นนี่มันเป็นองค์ความรู้ที่มันประยุกข์ขึ้นมาจากฐานข้อมูลที่มันมีความรู้นั่นแหละใช่ความรู้ที่เกิดจากการเรียนความรู้ที่เกิดจากการอ่านความรู้ที่เกิดจากการดูการฟังแต่พอเป็นความรู้อยู่ในชั้นสัญญาแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เกิดองค์ความรู้จนเกิดความเห็นความเห็นนี่เป็นความรู้องค์ความรู้อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจาก ฐานข้อมูลที่เกิดจากการเรียนรู้นะแล้วมันก็เป็นองค์ความรู้ทาให้เกิดความเห็นเช่นเห็นว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋ออย่างนี้นี่เองอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เป็นไปตามการเห็นอันเกิดจากความรู้ที่ตนเองมีอยู่เดิมอันนี้เรียกว่าชั้นของทัศนะชั้นของทัศนะนี่มีกำลังมีกำลังมาก ในระดับที่สามารถกําจัดอกุสลที่มีความรู้ในชั้นสัญญาโดยโดยชั้นสัญญาชั้นทิฏฐิเนี่ยมันกําจัดความไม่ดีที่จะเกิดขึ้นคือความไม่ดีอันใดที่มันจะเกิดเนี่ยแล้วมันมีความรู้ในทางทางธรรมะเข้ามาประดับใจความไม่ดีอันใดที่ยังไม่เกิดเช่นว่าเราทํางานอยู่เรายังไม่เคยทุจริต เรื่องนี้เรายังไม่เคยทาตัดสินใจทาผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเราไปมีความรู้ทางธรรมะเหล่านี้ขึ้นมามันจะไม่ป้องกันไม่ให้เราไปทำผิดในสิ่งที่เรายังไม่เคยทำแต่ถ้าชั้นทัศนะคือมันเกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้นมาเป็นองค์ธรรมขึ้นมาบ่มเพาะใจเรียกว่าใจมันมีทัศนะเห็นกันไปแล้วเนี่ยมันจะแก้ไขด้วยการถอดถอนความไม่ดีที่ตนเองเคยทาเช่นเคยโกงเรื่องนี้ ครั้งละยี่สิบาทส0มสิบาทมาเป็นประจำชั้นทิฐินี่ทำไม่ได้แต่ว่าพอชั้นของทัศนะเกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะละในสิ่งที่เคยทำมาเป็นปกตินั้นได้อันนี้เรียกว่ารรมสัญญาแต่ว่าในชั้นของทัศนะทีนี้ชั้นที่สูงกว่านั้นคือชั้นที่มีสติสมาธิซึ่งได้อบรมขึ้นมาในระดับหนึ่ง สติสมาธิที่อบรมขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เข้าไปสู่ชั้นของของญาณชั้นของญาณญาณคือสามารถที่จะยังรู้มันสามารถที่จะป้องกันทั้งเรื่องที่เคยทำมาแล้วทั้งสามารถป้องกันที่เรื่องที่ยังไม่เคยกระทำที่กำลังจะ ก, กระทำด้วยนะเพราะนั้นการเจริญสติสมาธิและปัญญาที่พวกเราได้บำเพ็ญศึกษาตันมาตลอดเนี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาณาปานสติเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้พัฒนาให้สติสมาธินั้นจะเริญนขึ้นเข้าไปสู่ชั้นของธรรมฉันทะเข้าไปสู่ชั้นของธรรมฉันทะมันจะมีกำลังที่จะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรืยๆรืยๆตามแนวทางคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทีนชีวิตเรามีความรู้สองด้าน ด้านหนึ่งคือด้านข้างนอกอีกความรู้หนึ่งด้านข้างในนี่เราต้องเรายังไม่ได้พูดถึงธรรมะนะธรรมะนี่ผ่านไปแล้วนี่พูดถึงว่าชีวิตมันมีความรู้สองด้านด้านข้างนอกกับด้านข้างในความรู้ด้านข้างนอกคืออะไรด้านข้างนอกคือสิ่งที่เราเข้าไปจับไปเกาะไปเกี่ยวแล้วก็เกิดความหมายรู้ไว้ว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้สิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนนเป็นนน นั่นเป็นของเรานั่นสามีเรานั่นภรรยาเรานั่นลูกของเรานั่นรถของเรานั่นบ้านของเรานี่บริษัทของเรานี่บ้านนี่ลูกน้องของเรานี่เจ้านายของเรานี่เพื่อนของเรานี่คือคนที่เราชอบเนี่ย น, น, น, นี่คืออะไรอ่อืม เป็นบุคคลในอารมณ์คติของเราคือไอ้ที่เป็นของเราของเราทั้งหลายแหละเนี่ยคือเราไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆมันก็เลยกลายเป็นของเราขึ้นมาและทีนี้ความไปเกาะเกี่ยวอย่างนี้แหละมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นเราจึงต้องไปอาศัยการแก้ไขจัด ก, การเรื่องต่างๆภายนอกเยอะมาก แล้ววิชาในโลกใบนี้นะเก้าสิบเปอร์ซ็นเป็นวิชาที่สอนให้เรามีองค์ความรู้ในการที่จะไปบริหารและก็จัดการเรื่องข้างนอกและวิชาเหล่านั้นเขาจัดการเรื่องข้างนอกเพื่อให้เป็นไปดังใจเราเท่านั้นและถามว่ามันทำได้ไหม มันก็ทำไม่ได้ไม่มีวิชาอะไรที่ไปทำบริหารจัดการเรื่องกลางนอกให้มันเป็นไปดังใจของเราได้เรามีเงินอยู่ประมาณหนึ่งและเราคิดว่าเราจะต้องมีเงินประมาณหนึ่งในการมีเงิน การตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องมีประมาณหนึ่งเนี่ยมันจะต้องอาศัยความรู้ข้างนอกเนั่แหละเข้ามาช่วยจัดการพอเราเข้าไปเอาเอาศัยความรู้นั้นมาจัด ก, การเสร็จแล้วเราก็มีเงินประมาณนั้นได้จริงๆเรามีความสุขไหมเราไม่มีเราก็มีต่ออีกกว่าเราควรจะมีนอีกประมาณหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาความรู้ข้างนอกนั่นแหละเข้ามาจัดการทําๆๆ ๆ, ๆจนไปมีเงินประมาณหนึ่ง แล้วถามว่าเรามีความสึกไหมไม่มีเพราะว่ามันมีเป้าไว้อีกว่าเราควรจะมีเงินประมาณหนึ่งแล้วก็ตายไปก็เลยไม่ได้พบว่าอะไรคือความสุขอะไรคือความสาเร็จอะไรคือคือความสงบสุขของชีวิตเพราะมันตายไปเชียก่อนทีนี้เพื่อให้มันเข้าใจง่ายไปกว่านั้นอายุเราขนาดนี้เนี่ยเรามองย้อนถอยหลังกลับไป ก็ตั้งแต่เราเริ่มอนุบาลเลยเริ่มรู้เรียงสาเริ่มจำความได้ดูความปรารถนาของเราแต่ละแต่ละวัยแต่ละวัยนะแต่ละเรื่องว่ามันสมความปรารถนามากี่เรื่องแล้วแต่ละความปรารถนาที่มันสมความปรารถนานั้นนะโดยหมายว่ามันมีความสุขและมันตั้งอยู่นิดเดียวเองแล้วทำไมมันถึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมาจนถึงวันนี้เราก็ยังมีความปรารถนา มีเป้าหมายในชีวิตอยู่อีกมันไม่รู้จักเสร็จสิ้นเรื่องของความปรารถนาเนี่ยไอ้ น, นี่คือเรื่องของข้างนอกมันจะบอกให้เรารู้อย่างหนึ่งว่ามันไม่มีเป้าหมายใดที่จะทำให้เรามีความสุขได้อย่างแท้จริงไม่มีเป้าหมายใดที่จะทำให้เรามีความสุขได้อย่างแท้จริงเพราะเราอยู่ในวัยวัยรุ่นสบกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเ้ายีสบในวัยขนานี้ด้วยความเฟ้งควาง ของการไม่เข้าใจไม่รู้ในปัญหานั้นแต่เรามีเรื่องอื่นเข้ามามีเรื่องอื่นเข้ามาก็ทําให้ชีวิตของเราก็แดกดินแดดดิ น, ดดดนกระเสือกกระสนไปตามสิ่งที่เข้ามาในแต่ละช่วงของชีวิตมันก็หยุดพักสิ่งเหล่านี้ไว้ชั่วคราวแต่เราเมื่อเข้าสู่วัยห้าสหกสมันมันจะดิ ด, ดิน ไปตามกระแสที่มากระทบเหมือนอย่างที่เคยมีตอนยี่ส40าสี่สบนั้นไม่ได้อีกแล้วอ น, นี้พอเราตรงจอหกสิบเนี่ยเราก็จะเริ่มพบเริ่มเจอแล้วว่าความเฟิงฟางความเฟิงฟางต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วชีวิตมันก็จะเริ่มหอยเหา่าเฉาแล้วก็เริ่มโศกเริ่มโศก ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็ตายไปชาตินั้นชาติหนึ่งเราก็ตายไปพอเกิดมาอีกชาติหนึ่งก็เป็นอย่างเดิมอีกเกิดมาอีกชาติหนึ่งก็เป็นอย่างเดิมอีกเปิดเป็นอย่างเดิมอีกนี่พอพระพุทธเจ้าศัตรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าพอเจ้าใจศีลธรรมท่านเกิดมาปั๊บนยท่านก็เจอกระแสแบบนี้เจอความจริงแบบนี้เจอเรื่องราวแบบนี้แต่ท่านไม่ไปแบบเดิมๆไอ้แบบเดิมๆหนึ่งพอมันไปเจอความทุกข เีกว่าจนต่อทุกข์มันก็ปล่อยมันไปจนต่อทุกข์มันก็ให้มันทุกข์ไปช่างมันเพราะว่ารู้ว่ามันแก้ไม่ได้เหมือนเดินโนหัวไปชนกระฝาโคกกรูมกันไปมันไปทําอะไรได้อกระฟาชนแล้วมันก็จะแตกก็แตกไปจะโนก็โนไปจะปวดก็ปวดไปเนื้อหนังจะฉีกก็ฉีกไปก็ฉีกไปก็จนอยู่ตรงนั้นเพราะว่าจะไปทําให้ยิ่งไปกว่านั้นไม่ได้แต่เจ้าชายสิทธิษฐะท่านไม่คิดอย่างนั้น จะดูเหตุดูสาวหาว่ามันมาจากอะไรมันมาจากอะไรมันมาจากอะไรจนรู้ว่าจนรู้ว่าแท้ที่จริงเน่ยไอ้เรื่องเรื่องที่ว่าเราโศกเราเศร้าเราเสียใจเราผิดหวังเราอกหักเราไม่สมปรารถนาไอ้เรื่องเราพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปลีกย่อยเป็นเรื่องเล็กๆ็กน้อยๆ ทเราคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนนแท้ที่จริงอ่ะมันมาจากเรื่องเดียวกันมันมาจากเรื่องที่เหมือนกันของสัตว์ที่เกิดคือเราเกิดมาเหมือนกันแล้วนี่สัตว์ที่เกิดมามันจะมีเรื่องที่เหมือนกันเลยคือแก่เจ็บแล้วก็ตายแก่เจ็บแล้วก็ตายที่เราจะต้องเหมือนกันหมดเลย ไอ้เรื่องอื่นที่เราเจอเนี่ยมันเรื่องเล็กน้อยเราที่เข้าใจว่าโอ้โหนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตนี่นี่เป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตอกหักเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตไอ้นั่นนี่เป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตมันไม่ใชนะ่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยของชีวิตเรื่องหลักของชีวิตคือแก่เจ็บแล้วก็ตายเราไม่เคยรู้สึก ว่าแก่เป็นเรื่องหลักของชีวิตไม่เคยรู้สึกว่าเจ็บเป็นเรื่องหลักของชีวิตเจ็บป่วยนะไม่เคยรู้สึกว่าเรื่องตายเป็นเรื่องหลักของชีวิตเราจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ประมาทอยู่สมมติสมบเ์เราจึงต้องไปนั่งเดือดร้อนอยู่กับเรื่องเล็กเล็ ก, ลกน้อยๆนี่แหละด้วยความประมาทด้วยความไม่เข้าใจในเรื่องหลักของชีวิตเราจึงต้องไปนั่งร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจผูกคอตาย แกแค้นอิจาริสยาพยาบามต่อกันด้วยเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องปลีกย่อยของชีวิตซึ่งไม่ใช่เรื่องหลักแต่พูดเ่านั้นเพราะเขาไม่รู้ในเรื่องหลักของชีวิตก็เลยทำให้เกิดความประมาทแล่ก็เลผลอไผลใช้ชีวิตไปติดอยู่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยอันสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราด้อยจากสติสมาธิและปัญญาเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยท่านมองทะลุเรื่องนี้ตั้งแต่ท่านเป็นเจ้าชาย แต่ท่านก็เห็นชัดเลยว่าแท้ที่จริงเรานั้นเกิดมาจากเรื่องหลักของชีวิตทั้งหมดเลยคือเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเป็นเรื่องหลักของสัตว์ที่เกิดมานี่ทำอย่างไรจะใจสีตะะหาวิธีแก้ปัญหาว่าทำอย่างไรเราจึงจะพ้นจากการแก่การเจ็บและการตายถ้าเราทำถ้าเราเจอ เราสามารถพ้นจากการแก่การเจ็บการตายได้เมื่อใดเมื่อนั้นเรื่องทั้งหลายแหละที่กล่าวมาเมื่ อ, อกี้เนี่ยหมดสิ้นนะหมดสิ้นเลยอันนี้ก็เรียกว่าความพ้นทุกตัวพุทธศาสนาศาสน า, าพุทธแท้ที่จริงคือเรื่องนี้นะเรื่องของความพ้นทุกมันไม่ใช่เรื่องอื่นแต่ เ, เราส่วนมากเราก็ไปยุ่งกับเรื่องอื่นแหละเราไม่เคยก่อเรื่องพ้นทุกขนาดให้ศีล น, นะเมื่อก่อนนะไหมศีเลนะทุกติงยันติสาทุ สีเลนะโภกับสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติเงียบเงียบเงียบทั้งนั้นแหนละลงไปดูว่ไปดูไม่ว่าที่ไหนที่ไหนที่นี่เลยเริ่มไม่เงียบแล้วเพราะวัตาตมาทวงขึ้นมาเรื่องพุทธศาสนามันเรื่องของความดับทุกข์เรื่องการพ้นทุกข์เรื่องความปล่อยวางซึ่งความดับทุกข์ความพ้นทุกข์และความปล่อยวางมันต้องอาศัยสามเรื่องคือเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องของปัญญา ถ้าพอเราพอเรามีความเข้าใจในเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าเป็นเรื่องของความดับทุกข์ความพ้นทุกข์ความปล่อยวางมันจึงทำให้เราไปมองเห็นถึงความสำคัญของสิ่งซึ่งจะทำให้เกิดการพ้นทุกข์การดับทุกข์และการปล่อยวางนั่นคืออะไรก็คือสติสมาธิและปัญญาสติที่จะถูกต้องนั้นต้องเป็นสมมาสติสมาธิก็ต้องเป็นสมมาสมาธิ ปัญญานั่นก็ต้องเป็นสัมมาปัญญานั่นเราจรึงจําเป็นเราไม่ต้องรู้เรื่องอะไรมากหรอกในศาสนาเนี่ยในจักราวาลนี้เราไม่ต้องรู้เรื่องอะไรมากเรารู้เรื่องสติสมาธินี่ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วแต่พอเราพูดถึงคําว่าสติเราก็จะต้องขยายไปอีกอันหนึ่งนะคำว่าสติมันเป็นสติคําเดียวสติเรียกว่าสติตั้งมัน่นจิตตั้งมัน่นสติตั้งมั่นคือสติแบบไหน สติตั้งมั่นคือสติที่ไม่กระสับกระส่ายตั้งมั่นที่ไหนสติสติก็ตั้งมั่นที่จิตสติจะตั้งมั่นอยู่บนจิตที่ตั้งมัน่นถ้าไม่มีจิตตั้งมัน่นสติตั้งไม่ได้เพราะสติตั้งมั่นนี่คือ ตั้งมั่นบนจิตที่ตั้งมัน่นจิตตั้งมั่นคือสมาธิเห็นไหมจิตกับสติกับสมาธิมันจะแยกกันไม่ได้เขาจะอยู่ด้วยกันอั้นผู้ที่จ ะ, จะเจริญสัมมาสมาธินั่นหมายความว่าเขามีสติด้วยจเจริญสัมมาสตินั่นหมายความว่าท่าน ม, มีสมาธิด้วยเพราะสติที่ตั้งมัน่นจะตั้งมั่นที่ไหนไม่ได้หรอกนอกจากสตินั่นจะต้องตั้งมั่นบนจิตที่ตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นเหมือนกับ มือนอย่างนี้เนี่ยอืมเหมือนขวดน้ําก็บอกขวดน้ําตั้งมั่นต้องตั้งมั่นบนโต๊ะที่ตั้งมั่นใช่ไหมเห็นยังอถ้าถ้าสาติถ้าขวดมันไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันก็จะไม่มีโต๊ะที่ตั้งมั่นใช่ไหมเห็นยังถ้าขวดที่ตั้งมั่น ตั้งมั่นที่ไหนตั้งมั่นบนโต๊ะที่ตั้งมัน่นตะขวดนี้ตั้งมั่นแล้วแต่โต๊ะมันไม่ตั้งมัน่นเองกระเที่ยเรแกว่งไปแกว่งมาขวดจะตั้งมั่นได้ไหมไม่ได้เห็นไหมสติกับสมาธิจึงต้องเป็นไงฮะอันไทยจะมาบอกว่าเราไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สนใจสติเราสนใจแต่สมาธิได้ไหมไม่ได้ เราเอาแต่สมสติเราไม่เอาสมาธิได้ไหมไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นเขาจะต้องเกาะกันอย่างนี้สติปฐานสติตั้งมัน่นนั้นคือสติที่ไม่กระสับกระส่ายบนจิตที่ตั้งมัน่นใช่ไหมเข้าใจปะเนี่ยสติกับสมาธิมันเป็นอย่างนี้นะเนสติที่เป็นอย่างนี้เรียกว่าสัมมาสติสมาธิที่เป็นอย่างนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิ ต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนอสติที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมอย่างสมาธิที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมไม่ใช่นี่สติกับสมาธิเขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้แต่มันสามารถเป็นมิจฉาสติได้ไหมเป็นมิจฉาสมาธิได้ไหมเวลาเขาเล็งปืนที่จะยิงกันเนี่ยมันต้องใช้สติกับสมาธิไหมเออเออเ อ, อ, อันนั้นเป็นอะไรมิจฉา ถมิจฉาสติมิจฉาสมาธิที่มันอยู่ด้วยกันนั้นนําไปสู่อะไรนําไปสู่ทุกข์สายนี้นําไปสู่ทุกข์ส ม, มาสติส ม, มาสมาธิที่อยู่ด้วยกันนําไปสู่อะไรสู่นําไปสู่ความพ้นทุกข์นำไปสู่ความสงบส ม, มาสติส ม, มา ส, ส ม, มาธิมันอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในอยู่ข้างในเห็นไหมคําว่าข้างในนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่า กายใจกายใจนี้ของเรานี้อันนี้นี่ตรงนี้ในนี้จะเป็นสมาสติสัมมาสมาธิอยู่ในนี้อันตัวสมาสติหรือตัวสติมันจะเริ่มเริ่มตั้งขึ้นที่ไหนที่ทีกายใจนี้ใช่ไหมเวลาสติจะตั้งขึ้นเนี่ย มันจะต้องให้ตั้งขึ้นในในบริบทที่ถูกต้องของมันใช่ไหมถ้าถ้าเป็นบริบทของมิจฉาสติมันก็เป็นมิจฉาสติไปถ้าไม่ถูกต้องนะมันก็เป็นมิจฉาสติไปถ้าถูกต้องมันก็เป็นทางแห่งสัมมาสติเพราะถ้าทางแห่งสัมมาสติได้เมื่อใดเมื่อนั้นแสดงว่าไม่ต้องไปบางคนบอกว่าไม่เอาหรอกเราเราไม่มีสมมติสมสถะคือสมาธิ สมาธิคือการที่จิตตั้งมัน่นแค่เราเข้าใจในบริบทของสัมมาสติแล้วเราจัดการสัมมาสมาสัมมาสตินี้ให้มันเกิดแสดงว่าอะไรสมาสมาธิก็เกิดด้วยถูกเป่ามันตั้งไม่ได้หรอกมันต้องอยู่ด้วยกันเหมือนอธิบายเนี่ยเหมือนโต๊ะกับเนี่ยถ้าไม่มีโต๊ะที่ตั้งมัน่นขวดน้ํานี่จะไปตั้งมั่นได้ไหมไเออใช่ป่าล่ะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลย นี่เราต้องมาดูว่าตัวสติวิชาที่พระพุทธเจ้าสอนในการจเจริญสติเพื่อให้สติเป็นสัมมาสติบนใจที่เป็นสัมมาสมาธินั้นเป็นอย่างไรท่านสอนไว้วิชาหนึ่งคืออาณาปานาสติอาณาปานาสตินี่คือะละมีสติ กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพราะอะไรเพราะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอะไรเป็นกายเป็นกายอย่างหนึ่งตัวที่ตัวที่สามารถจะบอกให้เรารู้ได้ว่าสตินั้นจะเข้าสู่ความเป็นสมาสติหนึ่งจะต้องเป็นภายในคือในกายนี้นะในกายในใจนี้นะสอง ต้องตัวที่ระลึกเขาไปรู้นั้นน่ะแต่ต้องบริสุทธิ์คือมันจะมีรู้กับสิ่งที่ถูกรู้จากตัวรู้ที่เข้าไปสู่สิ่งที่ถูกรู้นั้นมันต้องไม่มีตัณหามาณ a ิ i ฐิมันต้องไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาเจือมันรู้ก็ไปตรงๆรงนี่แต่รู้ก็ไปตรงๆงเนี่ยมันมันถ้าข้างนอกนี้ไม่ได้เลย รู้ก็ไปตรงๆนี้ข้างนอกไม่ได้เลยมันจะต้องเป็นกายเป็นใจทีนี้พระพุทธเจ้าต้องศึกษามาเยอะมากในที่สุดแยกออกมามีกายเวทนาจิตธรรมกายก็เริ่มต้นตั้งแต่ลมหายใจยิ่งลมหายใจนี่เป็นเป็นตัวที่ง่ายที่สุดและเหมาะกับทุกคนเหมาะกับทุกคน ถ้าเราหายใจเข้าเราหายใจออกลมหายใจจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้รู้ที่ตรงก็ไปสู่ลมหายใจในขณะที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วมีรู้เข้าไปในรู้กับลมหายใจออกลมหายใจเข้ารู้นั้นน่ะมันไม่มีตัณหามาณทิฏฐิไม่มีอารมณ์อันเป็นอิจฉาริษยาถ้าเมื่อใดอารมณ์อื่นเกิดขึ้นจากการรู้นี้มันจะไม่รู้ทันทีเห็นไหมฮะ ไม่รู้เป็นอกุศลไหมเป็นอกุศลแล้วใช่ไหมเมื่อใดที่มันรู้อยู่กับลมหายใจนะรู้นั้นแน่แน่อยู่กับลมหายใจเนี่ยมันจะไม่มีอย่างอื่นเข้ามาเจือปนพอมีสิ่งอื่นเข้ามาเจือปนมันจะเกิดการไม่รู้ขึ้นมาคือมันไม่รู้ลมทันทีเออไอรู้ที่รู้ลมหายใจอยู่ดีๆหายใจออกรู้หายใจเขารู้หายใจออกรู้หายใจเขารู้หายใจออกรู้หายใจเขารู้แล้วจะอยู่มันมีอารมณ์ ม, มื้นขึาา้นมาเช่นว่าง่วงเช่นว่าง่วงอิจฉาริษยาฟุ่งซ่าน อารมณ์พวกนี้ขึ้นมาความไม่รู้มันเกิดทันทีมันเป็นความไม่รู้ขึ้นมาทันทีจากรู้ลมอยู่ดีๆมันกลายเป็นความไม่รู้ขึ้นมาทันทีความไม่รู้มันบอกถึงเรื่องอะไรบอกถึงว่าไม่ได้รู้ลมหายใจอันอื่นก็เกิดขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นมันจึงมันจึงอาศัยการรู้ที่บริสุทธิ์อย่างที่ว่าที่นี้พระพิจารณาท่านเจอเรื่องนี้เสร็จแล้วท่านก็มาสอนเวลามาสอนเนี่ยก็ สอนอย่างละเอียดด้วยเราก็เรียกว่าอานาปานสติเวลาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ในทางปฏิบัติหมายความว่าเวลาเรามานั่งปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติแบบจริงจำอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบเนี่ยท่านท่านวาดไว้จดเลยตั้งแต่เบื้องต้นเลยจันเปียมการให้เตรียมอะไรบั่งอะเตรียมที่เตรียมท่าใช่ไหมเตรียมที่เตรียมท่าเตรียมตัว เตรียมใจเตรียมสติดูที่เตรียมเตรียมที่เตรียมที่คือสถานที่นี่ไงอย่างพวกเราเนี่ยสถานที่มีอย่างมีแล้วก็ไม่ต้องเตรียมแล้วนี่มีเตรียมแล้วเนี่ ย, ย, ยได้แล้วเนี่ยเตรียมที่เตรียมท่าท่าก็คือนั่งเห็นไหม บัลลังกังอาพุชิตวานิสีตินั่งคูบัลลังเนี่ยนั่งม้วนขาตั้งง่าเป็นบัลลังหรือนั่งพื้นไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้เนี่ยนั่งนั่งนั่งตั้งตั้งเป็นบัลลังก็คือว่ามีลักษณะในท่านั่งตั้งอย่างนี้อุชุงกายยังปานิตายักก็ตั้งกายให้ตรงเวลานั่งถ้าว่านั่งพิงเนี่ยอย่าไปนั่งพิงอย่างนี้ห้ามต้องนั่งตัวตรงไม่พิงอย่างี้ ขาวางนิ่งอมือวางนิ่งนิ่งนี่ตั้งท่าเตรียมที่เตรียมท่าเตรียมตัวเตรียมตัวเมื่อได้ที่ได้ท่าเสร็จแล้วนะเตรียมตัวเตรียมสติสติปริมุขังสติงอุปัฏเปตวาเนี่นั่งกูบาลังตั้งกายให้ตรง ดำรงสติอยู่เฉพาะหน้านี่เดียวเาเตรียมสตินะเตรียมสติดํารงสติอยู่เฉพาะหน้านี่คือเตรียมสติก็หมายความว่าเวลาเรานั่งอยู่อย่างเนี้ยก่อนหน้านี้เราจะนั่งคิดอะไรไปเรื่อยเรื่อยแต่ตอนนี้พอมาถึงตรงนี้เราไม่ไปไหนแล้วเราดึงมาดึงมาดึงมากลับมามาอยู่ทีงไหนปริมุขังสติงอุปัทเปตวาก็คือ ดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าอดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าพอดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าคือสติของเราความรู้สึกของเราก็กลับมาให้มันอยู่ปริมาณเฉพาะหน้าอย่างนี้จันหน้าแบบไหนก็สุดแท้แต่เราจะทําในใจของเราได้แต่ไม่ออกไปข้างนอกต่อจากนั้นโซ ส, โ ต, ะสะตัววัตสติสตัวปัสสตินี่นี่ น, น, น, นีเรียกว่าเปี่ยม เตรียมทำความรู้ลมโซสโตัววัตสติสตปัสสติเนี่ยคือว่าหายใจออกรู้มีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเวลาขยายตรงนี้เพื่อทำความเข้าใจแน่ว่าพอบอกมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเราจะต้องทำความรู้ให้เข้าใจในเรื่องนี้สองเรื่องหนึ่งเรื่องของสติ สองเรื่องของลมหายใจในเรื่องของสติกับเรื่องของลมหายใจนี้เป็นอย่างไรนี้ท่านขยายความว่าในการที่เราจะรู้ลมหายใจออกในการที่เราจะรู้ลมหายใจเข้าเราจะต้องรู้สามเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของที่ตั้งที่ตั้งของของสติ นะเรื่องที่ตั้งของสติเรื่องที่สองคือเรื่องลมหายใจออกเรื่องของลมหายใจเข้าไอ้เรื่องที่ตั้งของสตินี่เราเรียกนว่านิมิตอคนหนึ่งคนเนี่ยเราก็รู้ว่าเราจะรู้ตรงไหนพระพุทธาริบุตรท่านว่านิมิตตั้งอัศาสาปัสาส า, สาเป็นต้นว่านิมิตลมหายใจออกลมหายใจเข้าสามอย่างนี้ถ้าใครไม่รู้จะเริญสติไม่ได้ ภาวนาไม่ได้นั่งสมาธิเป็นวันเป็นคืนนั่งจนก้นแตกก็ไม่ได้นั่งแล้วสมาธิไม่พัฒนาสติไม่เจริญเนี่ยเราก็จะต้องรู้สามเรื่องนี้รู้สามเรื่องนี้มันรู้ตรงไหนมันยากไหมตั้งแต่สอนเรื่องนี้มาหลายคนตั้งคําถามมากมันยากไหมมันไม่ยากเลยทําไมมันไม่ยากเพราะมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น เราแค่ปล่อยให้มันเกิดตามความเป็นจริงแล้วก็ไปเรียนรู้หมายไว้เรียนรู้หมายไว้ว่าเราควรจะไปรู้ลมหายใจตรงไหนตรงนั้นแหละเป็นที่ตั้งของจิตรู้เรารู้สึกกับลมหายใจตรงไหนได้ตรงนั้นแหละเป็นที่ตั้งของจิตรู้รรกก ม, รรรมันไม่ยากเลย ไอเราจะไปพยายามไปกำหนดไปปักไปหมายให้มันรู้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นมันไม่ได้มันจะไปฝืนความเป็นจริงเราจะต้องปล่อยให้เขารู้ตามความเป็นจริงตามธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นได้อันนี้วิธีที่ที่ตามาได้สอนมาตั้งแต่ต้นง่ายๆคือว่าหายใจเข้าให้สุด หยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาและรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกนั้นพอหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจออกปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาแล้วก็รู้สึกกับลมหายใจออกนั้นรู้สึกตรงไหนได้ตรงนั้นแหละคือที่ตั้งที่ตั้งของจิตรู้ทีนี้ที่ท่านขยายความว่านาสิกเความุขะนิมิตเตวาคือว่า ถ้าคนที่มีจมูกยาวมันจะอยู่ตรงปลายจมูกเนี่ยมันจะอยู่ตรงปลายโพรงจมูกเนี่ยคือที่ที่ลมหายใจมันครูดเข้าครูดออกลมหายใจมันครูดเข้าครูดออกเนี่ยตรงนี้แหละไม่ต้องไปกําหนดปากหมายแค่ทําความรู้ลมมันครูดเข้าครูดออกตรงนี้โอเคตรงนี้แหละเหมือนหมู่บ้านที่เคยพูดให้ฟังหลายๆครั้งนะ หมู่บ้านเราทำป้อมยามไว้เหมือนเมื่อตะกี้เราเข้ามานี่ใช่ไหมแล้วก็มีป้อมยามฮะเราไม่เห็นเราไปพร้อมต้องวิ่งยืนโบกก็วิ่งตามรถเราที่ไหนเราเขาก็อยู่ในป้อมนั่นแหละก็นั่งดูรถเราเข้าออกรถเข้ารถออกรถเข้าเราก็อยู่ในป้อมนั้นได้เหมือนกันน่ะมันมีความเป็นจริงอยู่แบบนี้งี่พอเราพอเราหายใจเข้าสุดปล่อยลมหายใจออกรู้สึกได้อยู่ตรงนั้นก็ก็เฝ้ารู้อยู่ตรงนั้นเลย บางทีมันอาจจะออกมานอกหน่อยหนึ่งบางทีมันอาจจะเข้าไปข้างในหนึ่งเป็นบางครั้งบางคราวที่เราสามารถรู้ได้ในแต่ละขณะที่เราปฏิบัติแต่มันรู้ตรงไหนก็รู้ตรงนั้นนะมันและมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปหมายเอาตรงที่นิมิตนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไปปักอยู่ที่นิมิตตรงนั้นไม่เคลื่อนอะไรอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ว่านิมิตฉันจะต้องอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าฉันจะต้องได้นิมิตตรงนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าความเป็นจริงมันรู้สึกกับลมได้ตรงไหนตรงนั้นแหละเป็นนิมิตตอนเย็นเรารู้สึกได้ตรงนี้พอตอนเช้าเรารู้สึกได้ตรงนี้ก็หมายความว่ามันใช้คาพูดง่ายว่าลมมันครุดข้าวคูุดออกตรงไหนตรงนั้นเป็นนิมิตเออเข้าใจป่ะเนี่ะ ไอ้ท lei, ี่ที่ลมมันคลูกดข้าเรารู้สึกได้ตรงนั้นเป็นนิมิตแล้วก็เข้ารู้ตรงนั้นเลยลมเข้าก็รู้ตรงนั้นลมออกก็รู้ตรงนั้นลมเข้าก็รู้ตรงนั้นลมออกก็รู้ตรงนั้นลมเข้าก็รู้ตรงนั้นลมออกก็รู้ตรงนั้นไม่ต้องวิ่งตามลมหายใจเข้าไม่ต้องวิ่งตามลมหายใจออกอย่างงี้มันจะพอข้บวปับมันจะรู้สึกเลยว่าจิตมันเข้าสู่ความสกบรวดเร็วมากทําไมมันจึงรวดเร็วทําไมมันจึงรวดเร็วเพราะว่ามันถูกไง เพราะว่ามันถูกต้องแล้วไงไม่จำเป็นจะต้องไปกำหนดปากหมายว่าฉันตรงตร ง, ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องถึงให้แบบทำสบายสบายว่าหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่ารู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลเข้าอ๋อตรงนี้ตรงนี้ มันรู้ตรงนี้ทีนี้เราทำไงอ่ะเราไม่ต้องทำอะไรเลยถ้ามันยังจะต้องทำอยู่นะมันยังอีกเยอะนะทีนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยเราแค่อะไรนะท่านใช้ศัพท์ว่าปฏิสติมัตตายะยานามัตตายะปฏิสติมัตตยะคือแค่ระลึกรู้แค่ระลึกแค่รู้ปฏิสติมัตตายะนั้นเพียงแค่ระลึก ยาณมัตตยะเพียงแค่รู้ทำไมท่านใช้ศัพท์แบบนี้เพื่อไม่ให้เราไปเที่ยวหมกมุ่นหัวปักหัวปำอยู่กับลมหรืออยู่กับนิมิตเข้าใจปะ่ะไปหัวปักหัวปำอยู่กับนิมิตมันก็อัตตาชัดๆไปหัวปักหัวปำอยู่กับลมมันก็อัตตาชัดๆเข้าใจไหมมันต้องไม่ไปหัวปักหัวปาอันใดอันหนึ่ง มาเลยเพียงเพียงปฏิสติมัตยะเพียงแค่ระลึกยานามัตยะเพียงแค่รู้เพ right. ียงแค่ระลึกเพียงแค่รู้เพียงแค่ระลึกเพียงแค่รู้เพียงแค่ระลึกเพียงแค่รู้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนี่พูดในฐานะที่พอพวกเรารู้ลมกันมานานพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเรสังเกตเลยทีนี้ไอ้ตัวจิตผู้รู้เนี่ย จิตผู้รู้คือตัวที่ประกอบไปด้วยสติกับสัมผััญญะใช่ไหมคือตัวระลึกกับรู้ใช่ไหมระลึกรู้นี่คือผู้รู้ระลึกรู้ตัวนั้นในผู้รู้มีสองคำมีสองอย่างคือตัวระลึกรู้ตัวระลึกก็คือว่ามันถูกยกเข้าไปสู่สิ่งที่ถูกระลึกใช่ตัวรู้ก็คือว่ามันคลออยู่กับสิ่งที่ถูกรู้ยากไปไหม เอาตอนนี ein, it, it, uit, ้มืออยู่ตรงนี้ยกมือไปจับผ้าอยกมือไปจับขวดยกไปใช่ไหมยกไปใช่ไหมแล้วก็จับใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ใช้ขับว่าเอายกขวดมาเมื่อก่อนอยู่องี้ก่อนเอายกขวดมาเห็นเห็นยกขวดมาไหมเมื่อก่อนขวดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมืออยู่ตรงนี้บอกยกขวดมา มีเราศึกษาการยกขวดมานี่มีอะไรเกิดขึ้นบ้างยกมือจับถูกว่ายกขวดเนี่ยเหมือนกัรจิตเรามาอยู่นู่นบอกเอา้เราระลึกเข้าไปสู่ลมหายใจก็จิตที่มันยังไม่ได้รู้ลมหายใจนะ ระลึกก็ไปสูลมหายใจพอระลึกเสร็จแล้วก็รู้กับลมหายใจรู้สึกกับลมหายใจที่ลื่นข้าวขึข้นออกนี่ก็เรียกว่าระลึกรู้ระลึกรู้ระลึกเป็นสติรู้เป็นสัมพชัญญะเขาทํางานอยู่ด้วยกันต่อเนื่องอย่างนี้แหละทีนี้พอระลึกรู้ที่ไหนเขาบอกว่าพิธีนิมิตใช่ไหมที่ที่มันรู้สึกได้เหมือนป้อมยามอะ่ะ เหมือนป้อมยามหรือปากถ้ำเนี่ยก็รู้สึกได้ตรงนี้ใช่ไหมเราไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปกำหนดหมายตรงนี้หรือไปปักหมุกมุ่นอยู่ที่ลมนั้นไม่ใช่แต่เอาตัวอะไรระลึกรู้เพียงแค่ระลึกเพียงแค่รู้ด้วยเหตุอะไรที่เป็นอย่างนี้เพราะตัวระลึกกับตัวตัวระลึกรู้นี้ เขาตั้งอยู่บนอะไรบนอุเบกขาอืมเนี่ยขวดที่ตั้งมันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่กับอะไรเนี่ยอยู่กับฐานอันนี้ใช่ไหมฐานที่ตัวมันเองเนี่ยนี่ขั้นาล่างที่มั่นคงแข็งแรงเนี่ยแล้วก็เป็นฉากฉากเลี่มเดี่มเรียบเรบเสบือเบืเอ เ, อเอนี่ยมันจึงตั้งได้ตัวเราลึกรู้รู้เนี่ยมันอยู่ ตัวของเขาเองตั้งอยู่บนอุเบกขามีอุเบกขาวางอยู่มีรู้วางอยู่บนอุเบกขานั่นนะแต่ว่าไปรู้ตรงนี้รู้ตรงนิมิตใช่ไหมรู้ตรงที่ตั้งของจิตรู้หรือรู้ตรงนิมิตอยู่ตรงที่ลมมันคลูดข้าวคลูดออกเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปปักหมายเอาเอาที่นิมิตเพราะอะไรเพราะเราไปแค่ ขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามพอเข้าขั้นที่สี่เป็นไงกายมันจะดับเพราะระหับกายสังขารแล้วเราไม่เฟ้งฟางอ่ะเวลาระหับกายสังขารโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปถึงขั้นที่เก้าเป็นจิตเป็นจิตเหลือแต่จิตหมายความว่ากายดับเวทนาดับ จิตเกิดเป็นเอกภาวะเนี่ยแล้วเราอยวเราไม่เพ้งฟังกับการที่เราเออนิมิตกูไปไหนวะเข้าใจะยังงั้นเราไปหมกมุ่นปักไม่ได้แต่มันเป็นเพียงแค่ที่เราจะต้องระลึกเท่านั้นเองเป็นสถานที่เพียงแค่เราอาศัยเท่านั้นเองัน้นในการ ในการปฏิบัติในการรู้ลมหายใจเนี่ยมันดูเหมือนง่ายๆนะแต่ว่ามันมีง่ายสองแบบหนึ่งห้แบบผิดกับให้แบบถูกถ้า่ายแบบถู ก, บบถกมันก็จะเป็นเหตุเป็นผลสืบเนื่องไปรับายสติกับสมาธิก็จะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นถ้า่ายแบบผิดมันก็ได้ไปเรื่อยๆแค่นิง่งแล้วก็เห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นเห็นนู่นไปตามสัญญาตามมโนเอา และสิ่งที่มาพูดมาคุยกันไม่ใช่เรื่องของสติ <S <S ไม่ใช่เรื่องของสมาธิ <S <S ไม่ใช่เรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของสภาวะบางอย่างที่มันเกิดขึ้นโอ้อาง น, นี่เดี๋ยวนี้ถึงขั้นนี้แล้วเดี๋ยวนี้ถึงขั้นนี้แล้วหนักยิ่งไปกว่านั้นอีกเอาสภาวะมากำหนดเป็นลำดับชั้นของฌานอีกโอ้ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเอาให้มันถูกไอ้ที่พูดเนี่ยคือเอาให้มันถู ก, เ, ถกเพราะฉะนั้น เราจะ ต, ต้องปรับให้มันถูกตรงที่นิมิตต้องเข้าใจที่นิมิตคืออะไรแล้วลมหายใจออกคืออะไรลมหายใจเข้าคืออะไคำว่าคืออะไรเนี่ยเราจะต้องรู้รู้ด้วยด้วยด้วยตัวเราเองว่านิมิตตรงไหน ลมหายใจออกเป็นอย่างไรลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรของของเรานะเราจะไม่สามารถไปรู้นิมิตและลมหายใจออกลมหายใจเข้าของคนอื่นได้หรอกเราจะต้องรู้ของเราเนี่ยให้ได้พอเรารู้ได้แล้วเฝ้ารู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้านั้นนะไปเรื่อยๆถ้ามันเกิดอุปกิเลตคือสิ่งที่มันไม่ใช่ลมหายใจออกไม่ใช่ลมหายใจเข้าใช่ไหมคือเป็นอาการกัดแกงของจิต ที่มันคลาดเคลื่อนออกจากความเป็นปัจจุบันที่มันควรจะเป็น่ะก็หยิบมันออกไปหยิบมันออกไปหยิบมันออกไป อ, อที่เคยเปรียบเทียบความเหมือนไมเคิลแอนเจโลมองมองเห็นก้อนหินใช่ไหมแล้วเห็นภาพของอะไรเดวิดเห็นภาพของเดวิดอยู่ในก้อนหินแล้วไมเคิลแกไม่ได้ทําอะไรเลยนะแกแค่หยิบสิ่งที่ไม่ใช่เดวิดออกไปหยิบสิ่งที่ไม่ได้เดวิดออกไป อะไรไม่ใช่เดวิดหยิบอกหยิบออกหยิบอกยบอ ก, บอกในที่สุดมันเหลือเลยจนถึงทุก ว, วันนี้ยังเป็นเดวิดอยู่เลยก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันพอเราได้อย่างนี้แล้วเราข้าวู้ลรหายใจแล้วเนี่ยรู้ยว้เราหายใจรู้ไปรู้ไปรู้ไปอะไรที่ไม่ใช่รู้ตรงสู่ลมหายใจที่เกิดขึ้นณขณะ น, นั้นหยิบบอกเพราะเรื่องนั้นเป็นอุปปกิเลสนะหยิบบอกง่วง usalem, ใช่ใช่รู้ลมหายใจไหมง่วงเนี่ย ต้องทำไงหยิบออกหยิบยังไงวะหยิบยังไงง่วงหยิบยังไงฮะนั่งตัวตรงสมมุติว่าเรานั่งอย่างเงี้ยแล้วมันง่วงใช่ไหมคือจัดกระดูกสันหลังให้ตั้งฉากกับพื้นไอ้กระดูกเชิงกลานให้มันกลางออกขยา ย, ายแล้วก็ให้กระดูกสันหลังมันตั้งฉากกับพื้นกรุ๊บตรงกรุ๊บไอ้ไอ้ไง่วงนี่มันจะดีดออกไป ไปมาหายแล้วใช่ไหมเราก็รู้ลมเดี๋ยวมันมาอีกนะมันไม่ใช่ว่ามันมันโอ้มันดื้อที่สุดคือตัวง่วงเนี่ยมันดื้อที่สุดแล้วสังเกตดูโอมันง่วงเหลือเกินตรงไหนดีว่ง่วงเหลือเกินลงไปนอนดูดิเออมันแค่เป็นนิวรณมันแค่เป็นนิวรณเอาง่วงมากไหมเอางั้นนอนมึงนอนนอนมนอนไปพูนั่งพูดเงี้ยโคด่นควางไปมึงนอนนอนนอนโอนดูดิหลับไหม ไม่ลาบหรอกเพราะมันเป็นนิวรนนิวรนคืออะไรฮะนิวรนคืออะไรนิวรนแปลว่าเครื่องกั้นทำเป็นเครื่องนําออกเดี๋ยววันหลังจะมาพูดให้ฟังทำเป็นเครื่องไอ้สิ่งเป็นเครื่องกั้นมันเป็นเครื่องกั้นทำเป็นเครื่องนําออกออื ตามมฉันทะเด็กคนโดยทั่วไปเนี่ยนะโดยทั่วไปเนี่ยอย่างเช่นว่าเนคขมมะเป็นอันทำเป็นที่เครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าทั้งหลายคือเนคขมมะตามมาฉันทะเป็นธรรมเป็นเครื่องกัน้นเป็นธรรมเป็นเครื่องกัน้นไม่ให้จิตนั้นเข้าไปสู่เนคขมมะอืม มันจึงเป็นนิวรณ์พยาบาทอย่างเงี้ยธรรมดาพวกจิตที่สกคบมันจะอยู่โดยปราศจากความพยาบาทนั้นพยาบาทมันเป็นเครื่องกั้นไม่ให้จิตนั้นลุกเข้าไปสู่ความไม่พยาบาทความตื่นอาโลก์สัญญาคือว่าจิตที่มันตื่นแล้วเนี่ยมันจะเป็นอาโลก์ขัญญา ทีนมิตะเป็นตัวกัน้นจิตไม่ให้ตื่นขึ้นมามันจึงเป็นนิวรน์ให้เราต้องทำยังไงต้องให้มันดีดมันออกไปก่อนนะฝึกฝึกฝึกดีดความม่วงฝึกดีดความม่วงออกไปก่อนแต่ไม่ใช่ดีดด้วยคาเฟอีนไอวันทาตะแคงนันทีเลย <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราจะไปดีดก็ด้วยอะไร กาแฟกระป๋องเอามาแบบแบบแบบช้อนสองช้อนด้วยน้ำร้อนอมันยังไม่ดีดต้องไปเอาไ้นู่นเป็นกระป๋องกันนะถึงจะดีดน่ะทีสิบรอกก็กินกันนะ <c ười> ไม่ได้เราจะต้องดีดด้วยด้วยด้วยด้ว ย, ว ย, ว ย, วยจิตของเรารเช่นที่พระเจ้าให้ไว้ก็อุชุงกายังบาลนทิทยะคือตั้งกายให้ตรงพอมันว่วงรับนะพอมันว่วงเริ่มข้าครับทุกอย่าง สังเกตดีเวลามันง่วงอ่ะมันต้องหาความสบายเพื่อให้ตัวถีนมิถะเนี่ยมันกองมในกายในใจของเราได้แบบสบายๆนั่งแบเนี้ยพอเข้ามาถึงวัดนะมันจะทุ่มน้ําหนักวางน้ําหนักผ่อนให้โคลนการผ่อนคลายให้เกิดการสบายถ้าว่าพอนั่งตรงๆอย่างนี้นะมันก็ต้องให้โก่งไปโก่งไปอย่างเงี้ยแล้วก็แอนซ้ายแอนขวามีที่พิงไหมไมันก็ต้องแอนแบงนี้นั่นแหะเราก็ต้องดีดมันออกมาดีดออกมาตั้งกายให้ตรง พอกายกระดูกสลังเราตั้งตรงป๊อมันจะดีดเลยมันจะดีดเลยแต่แป๊บเดียวมันมาอีกยิ่งคนไม่เคยทำสมาธิไม่เคยนั่งสมาธินะนั่งใหม่ๆเนี่ยสองนาทีสามนาทีมาแล้วสองนาทีสามนาทีมาแล้วเราก็จะต้องดีดบ่อยๆดีดบ่อยดีดบ่อยๆดี ด, boy boy, ด, ดจนเราชนะมันอะ่ะจนในที่สุดแล้วเราตื่นตื่นด้วยเวลาตื่นมันตื่นแบบไหนเราเห็นความง่วงนะเออแต่จิตมันไม่ง่วง แต่เราเห็นความม่วงมันเกิดแต่จิตมันไม่ง่วงมีสติอยู่เห็นความม่วงเกิดอยู่รู้เราหายใจได้อย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นอ่ะมันตื่นแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะค่อยค่หายไปค่อยค่อยหายไปค่อยคอหายไปอันตรงเนี้ยมันต้องสิ่งที่ทําตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยคือความเพียรการทำภาวนาพัฒนาสติสมาธิและปัญญาการเรียนรู้ตรงนี้ต้องผ่านตรงนี้ให้ได้อเราก็อย่าไปให้ค่ามันมากนักกับความม่วง เพราะว่าเวลาเราตายอ่ะเรานอนยาวใช่หเวลาเราตายเรานอนยาวตรงไหนเราก็นอนได้เนี่ยล่าสุดในน้ำเห็นไหมยาวนอนในน้ำทรายขี้โกลนข้าวปอดข้าวท้องก็ไม่สนใจเนงไงเราก็นอนยาวอยู่แล้วใช่ป่ะเออก็เผาอยจุดเกลงก็ไม่มีเดือดร้อนนอนยาว เอาตรงนี้ก่อนอย่าไปให้ค่ามันมากไม่ให้ค่ามันมากแล้วจนกระทั่งมันเป็นนิวรณ์มันสําคัญนะถ้าเราให้ค่ามันน่ะมันจะกลายเป็นเรื่องใหอยขึ้นมาในชีวิตของเราแล้วแต่จริงๆแล้วชีวิตเราจะมีความสุขได้ไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะมีความสุขได้กับกรมมาฉันเราจะมีความสุขได้กับพยาบาทเราจะมีความต้องคิดดูดินะชีวิตเราจะมีความสุขได้ด้วยกามมาฉันจริงเหรอ กรรมฉันคืออะไรกรรมฉันก็คือว่าการาการมีแก่ใจหาใ่สิ่งที่ถูกใจการมีแก่ใจหาในสิ่งที่ถูกใจมีแก่ใจหาในสิ่งที่ถูกใจตลอดเวลาคิดว่ามันคือความสุขเหรอใฮะลองคิดดูสิการมีแก่ใจในการที่จะหาสิ่งที่ถูกใจตลอดเวลามันใช่เหรอ มันใช่คือสิ่งที่เป็นความสุขเหรอหรื อ, รอการไม่การมีการ ม, ามีการเกิดความรู้สึกชังต่อสิ่งที่ตนเองไม่ชอบตลอดเวลามันคือความสุขเหรอหรื อ, รอการห่วงงูงเงานอนการซึมการมึนการหลับตลอดเวลามันคือความสุขเหรอมันไม่ใช่หรือ การฟุ้งซ่านการฟุ้งซ่านการปรุงแต่งการครุ้นคิดทั้งหลายแหล่เนี่ยตลอดเวลามันคือความสุขหรือการสงสัยไม่หยุดไม่หย่อนอยู่เรื่อยๆเนืองๆเนี่ยมันคือความสุขหรอแลมันไม่ใช่อกุศลลธรรมทั้งปวงมันคือความสุขเหรอมันก็ไม่ใช่แต่ทำไมทำไมเราจึงต้องไปจนแต้มกับมันกับกรรมฉันทำไมเราจึงต้องไปจนแต้มกับ ความห่วงทำไมเราต้องไปจนแต้มกับความฟุ้งซ่านปล่อยให้ความฟุ้งมันมาเป็นใหญ่ทำไมเราต้องไปจนแต้มกับความรู้สึกสงสัยต่างๆทำไมเราต้องไปจนแต้มกับการที่ปล่อยให้อกุศลมันเกิดขึ้นความคิดไม่ดีมันเกิดขึ้นในใจอยู่เนืองๆทำไมเราจึงต้องไปจนแต้มกับสิ่งเหล่านี้ก็เพราะเราอ่อนแอเรื่องสติสมาธิ แล้วเราปลอยไอ้สิ่งเหล่านี้ก็มาเป็นใหญ่ซึ่งในความเป็นจริงที่ที่เราพูดกันมาเนี่ยการแก้ไขกรรมมาชันการแก้ไขถีนามิทะการแก้ไขอุตจักขุกุจจากจารแก้ไขวิจิกิจจาไอ้การที่ส่งจิตรู้ลงเข้าสู่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเพื่อความตื่นเพื่อความเป็นสัมมาสติเพื่อความเป็นสมสมาธิเป็นเรื่องราวที่เราจะเดินออกจากสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ โดยที่ไม่ต้องไปอยู่ในอำนาจของการมฉันเรามีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องไปอยู่ในอำนาจของความโกรธความพยาบาทเรามีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องไปอยู่ในอำนาจของความสงสัยความเคลือบแคลงความงุนงงความกังวลความซึมเศร้าเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องไปอยู่ในอำนาจของความฟุ้งซ่าน เราสามารถที่มีชีวิตยอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องไปอยู่ในอำนาจของอากุศลทั้งหลายคือเราไม่เราไม่จําเป็นที่จะมีชีวิตยอยู่โดยที่จะต้องไปทําความชั่วทําความชั่วมากเมืกันอย่างใหญ่อย่างกลางอย่างเล็กอย่างเบาเห็นไหมไกายวาจาใจของเราไม่จําเป็นที่จะต้องเคลื่อนไหวด้วยการไปทําอากุศนเล็กอกุศลน้อยไม่จําเป็นแต่การที่เรา จะไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องอาศัยสติสมาธิและปัญญาทําไมเราจะเดินออกจากสิ่งเหล่านั้นแล้วมันจึงมีปัญหามากมึนมีปัญหามากเหลือเกินกับชีวิตของเราอันนี้ในฐานะที่มันเป็นมานเมื่อกี้ในฐานะที่มันเป็นวินิวอนนิวอนใช่ไหมแต่ว่าในฐานะที่มันเป็นมานเพราะว่าทุกๆความคิดของเรา ที่มันเกิดความคิดขึ้นและหายไปความคิดของเราทุกๆความคิดนะแต่และความคิดที่มันเกิดความคิดขึ้นและมันหายไปเกิดความคิดขึ้นและมันหายไปเกิดความคิดขึ้นแล้วก็มันหายไปแต่และความคิดในชุดของความคิดทุกๆความคิดนั่นแหละคือภพชาติหนึ่งๆของเราให้เราสนนังเกตดูเลยมันคือกระบวนการเกิดดับเกิดตายเกิดตายเกิดตาย ไปอยู่ในชุดความคิดของแต่ละความคิดเพราะในแต่ละความคิดมันมีอะไรในแต่ละความคิดมันมีแต่นี่แหละชอบใจพอใจไม่ชอบใจไม่พอใจอยากได้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้จะเอาอันนั้นจะเอาอันนี้แต่ละชุดความคิดที่มันเกิดขึ้น เกิดแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็หายไปเกิดแล้วหายไปหรือว่าเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็วันหนึ่งเยอะมากแต่ละความคิดถ้าเราไม่มีสติที่เป็นสัมมาสติถ้าเราไม่มีสติถ้าไม่มีสมาธิจะเป็นสมาสมาธินะแต่ละความคิดที่มันเกิดและดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับแต่ละชุดแต่ละชุดนั้นไม่ธรรมดาเพราะมันดับไปแล้วมันไม่ดับหมดมันเหลือตกตะกอนไว้ที่พื้นใจของเรา อ่ถ้าเปิดความคิดที่มันประกอบไปได้วยความโกรธใช่ไหมความคิดโกรธนี่สมมติว่านมมือ ม, มึง ม, ม, ม, มาอาการทําวันนี้ครั้งแรกใช่ไหมลกูกมาถึงเ ห, เห็นหน้าคุณป้าหรือคุณพี่เห็นหน้าคุณพี่เกิดความรู้สึกไม่ชอบเป็นความคิดที่ประกอบด้วยความไม่ชอบใช่ไหมพอเกิดความเมื่อเกิดเกิดความไม่ชอบแล้วปั๊บเกิดมาหนึ่งชุดความคิดนะเกิดปัป๊บมันหายไปแล้วมันไม่หายไปเฉยๆนะข้าวใหยัยง มันตกเป็นตะกอนอยู่ที่ไหนไ<ม>อยู่ที่จิต<ม> <Li> เพราะว่าเราเห็นปั๊บเราเกิดความรู้สึกไม่ชอบแล้วเราเดินขึ้นมาข้างบนไอ้ความคิดนั้นดับไปแล้วนะไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมาถึงเห็นคุณนะ้ามานั่งอยู่ตรงนี้ที่เดิมอีกมองเห็นเ ก, กิดอีเกิดอีดับอีกแล้วตกเป็นตะกอนอยู่ที่จิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไอ้ตกเป็นตะกอนนี่เป็นอนุสัย แล้วต่อไปเพียงไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นคุณนาเลยลูกแค่นึกถึงอาการทำอะไรโผล่อะเวรกรรมเวรกรรมอะไรโผล่อยู่บ้านนะนึกถึงอาการทำอะไรโผล่พระเพะ้อไม่ได้โผล่หรอกมันกั้นหมดมันกั้นหมดอนะ เออพราะในทุกๆความคิดเนี่ยถ้าปล่อยให้พวกนี้มีอานาจสิ่งที่เกิดมันมีแต่เรื่องจะมาคอยรัดรึงเราให้มันหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไงอ่ะเราก็ต้องเอาสติสมาธิและปัญญาที่มันถูกต้องที่เป็นสมมาสติสมมาสมาธิและสมมาปัญญา ให้มันเกิดขึ้นปลูกไว้มันถูกต้องเลยด้วยมีธงปักไว้เลยว่าเราจะต้องไม่ยอมไม่ไม่แพ้แพ้ต่ออํานาจของถีนมิทะไม่พ่ายแพ้ต่ออํานาจของขยาบาทไม่พแพ้แพ้ต่ออํานาจของกามฉันทะไม่พ่ายแพ้ต่ออํานาจของวิจิกิชาไม่พแพ้แพ้ต่ออํานาจของความฟุ้งซ่านปล่อยจิตให้แน่วแน่วางตรงที่ตั้งของจิตรู้และรู้ลมหายใจ ตามความเป็นจริงหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้อย่างนี้อะไรที่เกิดขึ้นมานอกเหนือจากสิ่งนั้นหยิบออกหยิบออกหยิบออกหยิบออกด้วยวิธีการไม่ใส่ใจเราก็จะเข้าสู่ความสงบทันทีเร็วมากเร็วจริงๆไอ้ที่ความสงบเรามันเกิดช้าเพราะเราไปหมกมุ่นอยู่กับนิมิตหรือไม่ก็ไปหมกมุ่นอยู่กับลมมากเกินไป อันนี้ชาตนี้ก็ปรับนะอันนี้ยังเรียกว่าปรับอินซีการรับรู้สำหรับที่จะเข้าไปสู่ลมหายใจไอ้บางทีถ้าเราไปหมกมุ่นอยู่กับนิมิตมากไปหมกมุ่นอยู่กับที่ตั้งของจิตรู้มากเนี่ยเราจะไปปักเขาเลยเนี่ยธรรมชาติที่เขาจะได้เดินไปตามธรรมชาติมันไปไม่ได้มันเหมือนกับเราไปรังไว้เอาความกำหนดมันไปปกักไปรังไว้ นี่พระพุทธเจ้าในอาณาปานาสิพระพุทธเจ้าสังเกตว่าพระพุทธเจ้าเน้นให้กำหนดนี่แค่สองข้อที่ใช้ศัพท์ว่าประชานาติคือแรกเริ่มเนี่ยอย่างอย่างตอนนี้ยก่อนหน้าน้นเรานั่งคุยกันฟังเทศฟังธรรมไปที่จะรู้ลมหายใจแล้วเริ่มต้นเนี่ยลมแรกแรกมันต้องกำหนดใช่ป่ะเออนั่นน่ะใช้ศัพท์ว่าประชานาติคือกำหนดรู้แต่หลังจากกำหนดรู้ไปสักพักหนึงอะ่ะท่านใช้ศัพท์ว่าสิกขิหมดเลย คือศึกษาหรือตรหนักว่าตรหนักว่าตรหนักว่าศึกษาว่าเรียนรู้ว่าเรียนรู้ว่าไม่ได้หมายถึงการกำหนดรู้แล้วแม้มีการกำหนดแต่ไม่ได้สอนให้กำหนดมีการกำหนดอยู่แต่ก็ไม่ได้ให้พิจารณาด้วยการกำหนดรู้